จเจริญพรทุกๆท่านเดือนสุดท้ายของปีถ้าเราเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนแลการภาวนาของเราปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมีบททดสอบเราก็ได้ทดสอบตัวเองว่าที่ภาวนามาไหวไหม ฟังเขาพูดเล้าใจมันไม่ใช่เล้าใจธรรมดรามันเล้ากิเลสทาจริงๆพวกเราใครเกลียดยกมือสิเนี่ยยังภาวนามไม่ดีพอภาวนาดีพอแนละ้วมันไม่เกลียดใครหรอกนะเราเกลียดอะไรกัน ก็ดินน้ำไฟลมเกลียดดินประสาทหเกลียดน้ำเกลียดไฟเกลียดลมสิ่งที่เราควรเกลียดคือกิเลสพวกเราก็มีดินน้ำไฟลมเหมือนกับเขาแหละเป็นธาตุอย่างเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันถึงเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันกิเลสเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทำให้คนเราเห็นแก่ตัว อะไรๆก็ไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายของเราเท่ากับกิเลสนะกิเลสของเขาก็มีกิเลสของเราก็มีเราก็มีหน้าที่ไล่กิเลสของเราส่วนการดูแลบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของพลเมืองก็ช่วยกันดูแลไปแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ดีอยู่นะ ในบ้านเมืองมีทั้งคนดีค น, คนมีกิเลสก็ดูให้คนดีปกครองใช้แนวทางของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเราเป็นแสดงจุดยืนของเราเป็นสิทธิของพลเมืองแต่พวกเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราใช้สันติวิธีเราต้องมีศีลห้า ศีลเราตกหล่นไปเท่าไหร่นะเรายิ่งใกล้เขามากขึ้นเท่านั้นนะอย่างเราเห็นคนทำชั่วเราก็ชั่วด้วยเราก็ใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มตั้งแต่มุสาวาคนโกหกได้แล้วต่อไปทำชั่วได้ทุกเรื่องนี่เรายังไม่ถึงขั้นโกหกเราพูดความจริงนะ แต่ความจริงของเราไม่ประกอบด้วยเมตตาก <laughs> <laughs> าฝึกเชวนใจเหมือนหลวงพ่อนะไม่เกลียดเลยนะรู้สึกน่าสงสารทำไมทำไมมีแต่คนคอยส่งข่าวที่ไม่ดีให้เขาทำไมไม่เอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปให้เขาฟัง <laughs> เออถ้ามันฟังว่ามันไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะหน้ามันจะใส่นี่น้อหน้างอหน้าเครียด โลกก็เป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละสงบสุขแล้วก็วุ่นวายเป็นช่วงๆเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะไม่เคยมีความสงบสุขสันติที่แท้จริงในบ้านในเมืองหรอกอย่างสมัยอยุธยานะพระนเรศวนรบชนะพะม่าแล้วเป็นเอกราชเข้มแข็งนะของเราไม่ต้องรบกับพม่าอยู่หกสิปีหกสิปี ไม่ต้องรบกันกับพม่าแต่เรารบกันเองจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่เคยสงบเลยนะมันจะวุ่นวายอยู่ตอลอดเวลาเพราะว่ากิเลสนั่นแหละมันคลองโลกคลองบ้านคลองเมืองอยู่คนเราถ้าไม่เคยฝึกพัฒนาจิตใจนะพอมีอำนาจเนี้ยมีโอกาสทำชั่วมากกว่าคนที่ธรรมดาธ ร, รมดาอีกอย่างพวกเราเนียทำบาปนะไม่แรงเท่าพวกที่มีอำนาจเขาทำนะ อย่างคนมีอำนาจตัดสินใจทีเดียวคนตายเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนก็ได้เผาบ้านเผาเมืองทำอะไรก็ทําได้อย่างเราไปทําอะไรได้เรียกว่าไม่มีความสามารถที่จะทําชั่วมากนะหรอกก็มีความสามารถพอประมาณทําได้บ้าง <c oughs> งั้นการที่เราจะมีอํานาจมีเงินมีอะไรนะด้านหนึ่งเป็นด้านดีแต่ว่าถ้าไม่มีศีลธรรมกากับใจแล้ว มันอันตรายมากเลยคือทําความชั่วทําความเดือดร้อนให้คนจํานวนมากได้นี่พวกเราในวันนี้หน้าตาแล้วแต่ละคนอย่างพวกเรายัางไม่มีใครใหญ่โตมากหรอกเราไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตไม่ได้ร่ําไดำรวยนะมากนะักพออยู่พอกินแต่เรามามีศีลมีธรรมดีกว่าในโลกมันมีแต่วุ่นวายนะ เราก็ทําหน้าที่ของพลเมืองไปแสดงจุดยืนอะไรเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบทำแต่ไปด่าคนอื่ น, นไม่ใช่สิทธิโดยชอบทำทําลายคนอื่นไม่ใช่สิทธิที่ชอบทำจุดสําคัญเราต้องมีธรรมะของเรารักษาใจของเราในทุกๆสถานการณ์ให้ได้ฟังเขาพูดเราก็รู้ว่าเขาต้องพูดแบบนี้แหละต้องเราอารมณ์ต้องอะไร เรามีสติเหลืออยู่ไหมนะเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไหมถ้าหากขณะนั้นเราถูกเขาจูงไปด้วยโทสะด้วยโทสะโกรธขณะนั้นเกิดเป็นลมตายไปนะหัวใจวายโกรธมากหัวใจวายเองตกนรกนะจิตเศร้าหมองมีทุกคติเป็นที่ไปงั้นงมั้งจิตเป็นกุศลนะ สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเทอจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าไปด่าอย่าไว่าอย่าไปเกลียดใจอะเมตตาบ้างเมตตาเป็นธรรมที่จะค้ำจุนโลกนะเราทุกวันนี้เมตตามันหายไปจากโลกมันไม่รู้จักรักคนอื่นไม่รู้จักเมตตาคนอื่นนะรู้จักจะรักตัวเองเห็นแก่ตัวนี่พวกเราฝึกฝนจิตใจของเรา ให้รู้จักเมตตามากๆนะรักคนอื่นนะไม่เห็นแต่ตัวมากนะรับชาติบ้านเมืองถามจริงๆใครสอบตกบ้างรอบนี้ยกมือซิส อ, สอบตกสอบตกถามจริงๆใครสอบได้บ้างไม่มีเลยอ๋อมีคนเดียวพวกที่สอบได้เนี่คือพวกไม่ได้เข้าสอบหรือเปล่านะ พวกอยู่บ้านเฉยๆไม่ฟังข่าวไม่อะไรนะจิตเป็นกุศลเลยไม่ได้ทดสอบนะการภาวนาเนี่ยเราจะเห็นผลมะว่าเราทําได้ดีแค่ไหนตอนที่ชีวิตมีปัญหานะไม่ใช่ตอนที่สุขสบายหรอกตอนสุขสบายมันไม่มีใครยอมทดสอบหรอกเสียดายัวความสุขหายไปแต่ตอนที่ชีวิตกำลังมีความทุกข์นี่แหละมันเป็นเวลาทดสอบมีปัญหา นี่ถ้าปัญหาแรงก็บททดสอบนี้ยากหน่อยถ้าปัญหากระจุงก็จิงนะบททดสอบก็ง่ายหน่อยเราต้องหักทําบททดสอบตั้งแต่บทเล็กๆก่อนก่อนจะทําบททดสอบใหญ่ได้บททดสอบเล็กๆต้องทําได้ก่อนต้องผ่านข้อสอบที่ง่ายก่อนข้อสอบง่ายๆนะคือเรามาเรียนรู้อยู่ที่ตัวเราเองเนี้ยอยู่ในใจเรานี่แหละทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครก็ทําอะไรให้นะแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็มาละ เดี๋ยวความทุกมาเดี๋ยวความสุขมาเดี๋ยวโลภโกรดหลงมาทุกอย่างก็มามาแล้วก็รู้ถันมีสตินะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป น, ะนี่เราเห็นตั้งแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตธรรมดาที่ยังไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากนี่แหละคอยรู้คอยดูของเราไปใจมันค่อยๆ ย, ยอมรับอยู่ๆไปดูบทเทดสอบยา ก, ยากๆมากบางคนก็ไม่ไหว เช่นไปตรวจร่างกายหมอบอกว่าเป็นมะเร็งะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งแล้วะช็อกเลยยังไม่ได้ตายเพราะมะเร็งเลยนะเฉาตายขอนอย่างนี้ก็เยอะนะบางคนใจแข็งเนี่ยคุณหมอความสันเนี่ยเป็นมะเร็งควรจะตายตั้งนานแล้วนะมาออยู่มาจนป่านนี้นะ่าเป็นแชมป์โลกแล้วว่ามะเร็งชนิดเนี้ยมันจะต้องอยู่ไม่ได้นานอย่างนี้ลนะนี่เป็นระดับแชมป์โลกแล้วก็ เ, เขารักษาใจเขา เบื้องตอนเราดูในชีวิตธรรมดาของเรานี่แหละเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนนั้ดูมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปดูจนใจมันยอมรับยอมรับได้ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวนะโบลบโกรดลงก็ชั่วคราวแต่มาเวลาเจอปัญหาที่แรงขึ้นเช่นสามีมีเมียมากไม่ใช่เมียน้อยเมียมันมาก ฉันมีม wow. like okay ีเม ah ียมากภรรยามีสามีมากนะไอ่นี้นะความทุกขมันมาถึงเราแล้วคราวนี้ยเราก็เคยเห็นแล้วนะว่าความสุขความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นว่าสามีเป็นของชั่วคราวมันของชั้นน่ะของชั้นของฉันใช่ไหมนี่มันเป็นบททดสอบน่ะเป็นบททดสอบมีเมียมากคนที่หนึ่งเนี่ยเราเจ็บช้าที่สุดเลยคนที่ยี่สิบเราจะเฉย นะเพราะอะไรใจยอมรับมันเป็นอย่างนี้แหละสันดานมันเนี่ยพอใจยอมรับได้นะใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกนะน้่เรามาฝึกตั้งแต่บทเรียนง่ายๆดูของจริงที่เกิดในชีวิตประจําวันเหล่านี้แหละเมื่อตามองเห็นรูปเนี่ยใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเป็นกุศลก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้รู้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะให้เห็นว่า สุขทุกข์ดีชั่วนะมันจะเกิดมันก็เกิดของมันเองนะมันจะตั้งอยู่ก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไล่ก็ไม่ไปจนะะรักษาไว้ก็ไม่ได้อย่างความสุขรักษาไว้ก็ไม่ได้ความทุกข์ไล่มันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้นะเกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ เราต้องซ้อมของเราทุกวันนะการภาวนาเราอย่าไม่ใช่พระรหันเราอย่าต้องเรียนต้องซ้อมอทุกวันนักเรียนที่ทำการบ้านบ่อยก็เก่งเร็วหน่อยใช่นักเรียนที่ไม่ยอมทำการบ้านก็เก่งช้าเรื่องธรรมดานะของเราไม่ได้สอบแขงกับใครหรอกสอบแข่งกับตัวเองนะแล้วไว้ทดสอบใหญ่เข้าห้องสอบจริงๆนะตอนที่เราเจอปัญหาที่รุนแรงนะปัญหาในชีวิตอย่างแร ง, แรง อย่าตอนน้าท่วมน้ําท่วมปีห้าสี่ใช่ไหมกลุ้มใจมากใช่ไหมทุกข์มากตอนนี้นึกถึงน้ําก็เฉยเยไม่กลัวใช่ไหมถ้ามันมาอีกก็กลัวใหม่เฉยเฉยเนีเราเฝ้าดูนะกระทั่งความทุกข์ที่ว่าใหญ่ๆนะปัญหาชีวิตที่ว่าใหญ่ๆนะมันก็ใหญ่ชั่วคราวนะไม่มีปัญหาที่ใหญ่ตลอดหรอกนะอะไรๆมันก็ชั่วคราวทั้งหมดเลย ปัญหาน้ําท่วมเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยมันก็ชั่วคราวนะปัญหาอะไรในชีวิตเรานะใหญ่โตแค่ไหนนะก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยนะไม่มีปัญหานิรันดรเพราะว่าไม่มีอะไรถาวรหรอกนะเมื่แต่เรามาพยายามภาวนานะมาดูของจริงในใจเราเห็นวนะ่ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูซ้ําแล้วดูซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปเด้วนยะใจยอมรับความจริงไม่ได้ใจก็ทุกข์มาก อย่างเรายอมรับไม่ได้นะว่าความทุกข์หรือปัญหาจะต้องมาสู่ชีวิตเราเรายอมรับไม่ได้เราจะทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาเป็นของคู่กับชีวิตเป็นเรื่องธรรมดามีเวลามีปัญหามาก็าแก้ปัญหาไปดูตามเหตุตามผลแล้วแก้ปัญหาเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอย่ามาอ้างว่าทางสายกลางนะมีปัญหาต้องไปคิดแก้ปัญหา ลูกติดยามาเนี่ยลูกติดยาต้องไปคิดแก้ปัญหาว่าทําไมไม่ให้มันติดยาอีกนะไม่ใช่อุเบกขานะบางคนอ้างอย่างนี้ชาวพุทธต้องอุเบกขาอุเบกขาเป็นเรื่องของจิตที่มีปัญญาแล้วเข้าอุเบกขาต่อทุกสิ่งทุกอยา่างแต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันต่อตามยาถากรรมนะั่นไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็จริงแต่เราไม่ได้ยอมจำนวนกับกรรม เวลามีสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเกิดขึ้นก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่ไม่แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขสุดฝีมือแล้วนะมันได้แค่นี้แหละเราก็ยอมรับเราพอใจแล้วล่ะได้แค่นี้ทํางานนักขยันแทบเป็นแทบตายเลยเดือนหนึ่งได้ห้าพันสมมติได้แค่นี้แหละเขาว่าวันละสามร้อเราไม่เห็นจะได้สดักทีอะไรอย่างนี้ได้เท่านี้เราทําเต็มที่แล้วเราก็มีความสุขกับเงินเล็กน้อยของเรานะอย่างน้อยเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราก็ภูมิใจของเราได้ลนะ คนอื่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันคิดว่าเงินมากถึงจะมีความสุขนะของเรานี่แหละเราได้ทํางานเต็มที่เรารู้สึกงานของเราก็มีประโยชน์ก่บสังคมกับส่วนรวมนะสมมุติเรากวาดถนอนเนี้ยปวัดถนนมีประโยชน์กับส่วนรวมไหมมีใช่ไหมเป็นงานที่ต้องย่งย่องนะวันหลังเจอคนขวาดถนนอะ่ะจะปีใหม่แล้วให้ของขวัญเข้าบ้างนะอย่างน้อยยกมือไหว้สักทีขอบคุณนะครับอุตส่าห์กวาดนะนะแต่ละคนมีคุณค่านะ มีคุณค่าถ้าก็ทําสิ่งซึ่งไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นประโยชน์เ น, ะนีเราค่อยฝึกใจของเรานะกูศนก็ค่อยสร้างไปเรื่อยหากูศนก็ค่อยๆลดไปเรื่อยนะกูสนเล็กน้อยเราก็ไม่ประมาทนะว่าเล็กน้อยเกินไปไม่ทำอะไรเงี้ยหรือหากูศนเราก็อย่าไปประมาทว่าหกูศนนิดหน่อยด่านิดหน่อยจะเป็นอะไรด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่าไปหมดเลยด่าตัวเองก็มีนะเคยเจอไหม ใครเคยด่าตัวเองบ้างยกมือสิเ อ, อเยอะนะใครเคยชมตัวเองบ้าง อ, อก็เยอะเหมือนกันชมตามความเป็นจริงไหม <c oughs> ดีดีเธอเนี่ยดีสุดยอด <c oughs> เพื่อนเห็นว่าเลวสุดเลยนะดีงั้นพยายามนะมีสติรักษาใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอะไรนะ ความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ไปเรื่อยนะค่อยๆหัดรู้หัดตูของเราไปไปมบ็บถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไหมได้ทํำไหมหรือละเลยอย่าละเลยนะะถึงเวลาเราก็สวดมนต์กราบมันข้างถนนก็ได้พระพุทธเจ้าอยู่ในที่ทุกที่เราจะไหว้พระเขาเว่าเราเพี้ยนก็ช่างเขาไป กล้าไหมถือเวลาไว้พระสวดมนต์เราก็ทํานะอาจจะไม่แสดงท่าก็ได้แล้วสํารวมของเรายังไปไหว้อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนตกใจเขากำลังเป่าดงวีดเพราะว่าไม่รู้จักกาลเทศะเราก็สํารวมของเราไหว้พระสวดมนต์ของเราไปถือเวลาเดินจงกรมอันนี้เดินได้นะเดินไปเดินมาบางทีไม่เดินก็ไหลไปเรียกไหลจงกรมไหลไปเรื่อยรู้สึกตัวไป เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นนะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวไม่ว่าทำอะไรนะอย่าละเลยการปฏิบัตินะไปทาหน้าที่พลเมืองก็อย่าละเลยการปฏิบัติมันไม่ได้ขัดกันหรอกนะนั่นเราพานาให้ได้นะแล้วเราก็จะมีความสุขนะเรามีความสุขมากๆให้เขาเห็นเลยเผื่อคนอื่นเขาเห็นทำไมเธอดูสดใสจังนี่ฉันฟังซีดีหลวงพ่อประโมทออกไปเลยนะ แจกซีดีพกไปบ้างนะใน <intellectual> <ishing> ไหนก็ไปแล้วนะทำชีวิตให้มีประโยชน์เนผะื่อคนก็ได้ฟังธรรมะมากขึ้นนะใจเขาได้ทุกน้อยลงนะต้องทำนะอย่าละเลยแม้ว่าทำอะไรก็อย่าทิ้งการปฏิบัติทิ้งอื่นๆอย่างจริงได้นะอย่าทิ้งการปฏิบัติ เราทิ้งการปฏิบัติธรรมเมือเราทิ้งความเป็นชาวพุธนะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพ่อแม่เรามีนะก็เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราก็ทำท่านห้ามอะไรเราก็อย่าทำนะท่านไม่ให้เราผิดศีลเราก็ไม่ผิดศีลไม่ได้ว่าใครไม่ได้ขโมยใครไม่ได้เอาหินไปกว้างหัวใคร อย่างมากก็โดนก็ยิงแก๊ส น, น้ำตาก็วิ่งหลบเอาหน่อยนะถ้าโดนจริงๆก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเกิ อ, อิญมันเป็นสัตว์ตัวนี้ซะด้วยสินะก็ละบากหน่อยนะมีสตินะมีปัญญารักษาตัวนะอย่างบางคนเนี่ยด่าเก่งนะแขว้งพระไปเต็มคอเลยพระไม่ช่วยนะพระทนความหยาบคายไม่ไหวพระพากันจำวัดหมดเลยนะนั้นเราพยายาม รักษาสติของเราในทุกๆสถานการณ์อย่าละเลยตอนนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้เอาไว้ก่อนนะตอนนี้จะทำอันนี้การปฏิบัติเอาไว้ทีหลังใครเคยผลัดบ้างทั้งนั้นแหละไม่ต้องยกมือหรอกทุกคนแหละนะลัดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะพูดเหมือนชีวิตเป็นอมตะพูดเหมือนชีวิตยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอใกล้จะตายแล้วก็ช่วยเป็นนิมนต์หลวงพ่อมาหน่อย ให้หลวงพ่อมาบอกทางให้หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็บอกว่าทางนี้เป็นทางของผู้เดินคนเดียวทางนี้เป็นทางไปคนเดียวทางนี้ต้องช่วยตัวเองนะฟังแล้วเลยชอบตายไปเลยนะนะต้องซ้อมไว้ก่อนนะต้องซ้อมของเราไว้ก่อนนะพยายามมีสติคุ้มครองรักษาใจของเรานะสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาหนะลวงพูดเทสเนี่ยสอน สอนดีมากเลยสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนอย่างนี้เลยนะจำเป็นมากนะถ้าเรามีสติเราจะมีศีลนะมีสติจะมีสมาธิมีสติจะเกิดปัญญาได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นบอกพ่อจ้ำจี้จ้ำชัเพวกเราให้มีสติสติคืออะไรส ต, ติคือตัวรู้ถันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจนี้ ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันก็เรียกว่ามีสติจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันเรียกว่ามีสตินะถ้าเรามีสตินะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะราคะโทสะเกิดที่ใจเรารู้ทันนะราคะโทสะจะครอบใจเราไม่ได้นะอย่างเราโกรธสมมติเราโกรธขึ้นมานะเราไปฟังเ้าด่ามากๆากเราก็โ ก, กรธเกลียดเราเห็นความเกลียดมันผุดขึ้นมานะความเกลียดมันนาหน้าเหตุผลแล้เหตุผลไม่มีละ วความเกลียดความโกรธพุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะความโกรธความเกลียดมันจะดับอัตโนมัติมันดับเองนะเราไม่ต้องดับมันพอใจเราไม่ได้โกรธใจเราไม่ได้เกลียดเราจะไม่ดา่าเราจะไม่ทําร้ายใครเห็นไหมไม่ด่าว่าใครอะไรเงี้ยนะศีลมันมาเองหรือเวลาความโลภมันเกิดขึ้นในใจเราไปเดินนะเห็นคนนี้เขาทากระเป๋าสตางค์หล่นนะเขามีแต่นกหวีดรักนกหวีดมากเลยเอานกหวีดไปแล้วทิ้งกระเป๋าไว้นี่เนี้ย ใจเราโลภเราอยากไดนะ้จะอยากได้เรารู้ทันปั๊บนะความอยากมันจะดับนะมันจะไม่เอาของคนอื่นหรอกนะจะไม่ไม่ขโมยใครอย่าว่าแต่จะขโมยเลยของตกยังไม่อยากหยิบเลยนะเริ่มเกียงกันหยิบนะเธอหยิบฉันจะไม่อยากหยิบอะไรเงี้ยไม่อยากเอาของใครศีลมันมาเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันราคาเกิดเรารู้ทันโทสะเกิดเรารู้ทันศีลมันจะมาเอง แล้วถ้าเรามีสติโมหะความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันนะสมาธิจะมาเองโมหะตัวใหญ่เลยคือความฟุ้งซ่านของจิตพเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านดับไปจิตจะมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตใจจะอยู่กันเน้อกับตัวอย่างที่หลวงพ่อสอนนะว่าให้ภาวนาไปพุโทโธหายใจหรือทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปพอจิตไหลไปแล้วให้รู้ทันจําได้ไหม จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตไหลไปนัน่นแหละคือจิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ซ่านไปในอารมณ์นะมันมีโมหะมันเลยฟุ้งออกไปไหลออกไปไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างนะนีตรงที่จิตไหลไปเรารู้ทันหรือจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันสมาธิมันจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันราคะโทสะมาเรารู้ทันเราจะมีศีลนะ ถ้าความฟุง้งร้านเกิดขึ้นเรารู้ทันเราจะได้สมาธิขึ้นมาน้่จะมีสติต่อไปอีกถ้าจิตมีสมาธิแล้วจิตเป็นคนดูขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีสติมีสติรู้สึกในร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติเระลึกรู้ใจนะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าใจเราตั้งมั่นจริงๆเราจะเห็นนะว่าร่างกายเนี่ยกับใจเนี่ยแยกออกจากกัน ไม่ใช่ความเดียวกันนะร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่นะร่างกายเหมือนโลงเหมือนถ้าเหมือนเปลือกเหมือนคูหาท่านบอกร่างกายเป็นคูหาครูหาก็เหมือนถ้าเหมือนห้องเงี้ยนะแล้วก็จิตมันมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแล้วจิตเนี้ยเกิดดับวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะี่เราก็ดูเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดิน ร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามันจะไม่รู้สึกนะว่าเรายืนเดินนั่งนอนเราหายใจออกเราหายใจเข้าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกจะเห็นแต่ว่าร่างกายเรามันทํางานอย่างนั้นเองนะหรือจิตใจเราก็จะเห็นมันเดี๋ยวมันก็สุขสุขก็สุขของมันเองไม่ใช่เราสั่งเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองไม่ใช่เราสั่งนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ เนี่ยดูของจริงเข้าไปมีสติรู้เข้าไปนะแต่ถ้ารู้โดยใจที่ไม่มีส่วนได้เสียใจตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยจุดสุดยอดของการที่จะเจริญปัญญาได้ก็อยู่ที่จิตตั้งมั่นนี้แหละถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตเราก็ไหลตลอดเวลาจิตไหลไปฟุ้งไปไม่ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันเดินปัญญาไม่ได้ดันที่ท่านสอนบอกว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาก็ถูกเหมือนกันแต่ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดนะ เรื่องสมาธิเนี่ยหลวงพ่อสอนพวกเรามากเลยสมาธิมีหลายแบบนะสมาธิที่ขาดสติมีไหมสมาธิขาดสตินั่งแล้วก็เคลิมนั่งแล้วก็ลืมตัวเองนั่งแล้วก็ส่งจิตออกไปเที่ยวข้างนอกเห็นนอนเห็นนี่สมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเนี่ยใส่ชื่อเข้าไปได้เลยว่ามิจฉาสมาธินะมิจฉาสมาธิถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิหมด หือจะมีความสุขแค่ไหนก็เป็นมิจฉาสมาธินั้นสุขเยิ้มเยิมเคริมเคลิมสุขด้วยราคะมีราคะแทรกนะสมาธิที่ดีเนี่ยจะมี2องอันนะสมาธิที่จิตสงบกับจิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตสงบเนี่ยเอาไว้ทําสมถะมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทโธอยู่กับลมหายใจก็อยู่แต่ลมหายใจนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้เอาไว้พักผ่อนนะ ถ้าเวลาพวกเราเหนื่อยๆนะเราทําสมาธิลึกๆไม่เป็นเนี่ยจิตใจเราอ่อนล้านะสอนกรรมฐานที่ง่ายๆสมาธิง่ายๆนะเราลองหลับตาหลับตาสบายๆอย่าบังคับเปลือกตาให้แข็งนะหลับตาแบบผ่อนคลายนะแล้วกลั้นลมหายใจเบาๆกลั้นลมหายใจแล้วก็เอาความรู้สึกจับเข้าไปตรงที่นิ่งๆอ่ะจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะแล้วพักอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่ง ถึงเวลาอยากหายใจก็หายใจต่อลืมตาขึ้นมาหายใจต่อได้เลยเห็นไหมจิตมันรวมลงไปตรงนี้เป็นที่พักผ่อนนะสำหรับคนที่เข้าฌานไม่เป็นแล้วมีเวลานิดเดียวเนี่ยเคยได้ยินัหยคนโบราณบอกเขาหนังเดียวหรือเขาหายตัวได้ชั่วหายใจคือหลักอันนี้แหละนี่ไม่ได้สอนวิทยายุทธให้ไปตีกับเขานะสอนให้ไปพักผ่อน เันเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆนะเราต้องคุยกับลูกค้าเหนื่อยหรือเราจะต้องไปเจอเจ้านายที่แสนดุยิ่งกว่าหมาบ้าอีกนะเนี่ยใจเรามีเวลานิดหนึ่งเนี่ยเราทาความรู้สึกสบายนะปิดตาสบายๆอย่าปิเก๋งปิดตาสบายๆกลั้นลมหายใจสบายๆจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆแค่นี้เราก็ได้พักละนะได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆพอมีแรงไปสู้ชีวิตต่อ ถ้าพักเต็มรูปแบบได้ทำสมาธิทำฌานได้ก็ทำไปนะทำไม่ได้จริงๆนะทำแบบนี้ก็ไม่เป็นสวดมนต์อยู่ในใจไปนะสวดมนต์ยาวๆไม่เป็นพุโทโธทำโมสังโฆสวดอยู่อย่างนี้ทั้งวันก็ดได้สมาธิเหมือนกันได้ความสงบแนะม่ขาดสตินะี่สมาธิอีกชนิดหนึงจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านสมาธิอย่างนี้ใช้เดินปัญญาจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะอารมณ์ผ่านมาผ่านไปเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับผ่านมาผ่านไป จะเห็นจิตกัอารมณ์แยกออกจากกันอันนี้ไว้เดินปัญญาสมาธิมีหลายอย่างนะสมาธิที่จะทําให้เกิดปัญญาสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่นะแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วก็อาศัยสตินะไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะอาศัยมีจิตตั้งมั่นนะอาศัยสติไปรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใกายในใจก็จะเกิดปัญญา เห็นว่าสุขทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามาแล้วก็ไปนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะอาศัยสติไปรู้กุศลอกุศลโลภโกรดลงทั้งหลายเกิดขึ้นมีสติไปรู้ทันนะนะก็จะเกิดปัญญาเห็นเลยโลภโกรดลงก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมผ่านมาผ่านไปเนี่ยหัดไปเรื่อยๆนะงั้นอย่าไปเสียเวลาเปล่าจเจริญสติจเจริญปัญญาเรื่อยๆไปนะ เกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมีสุขติเป็นที่ไปนะต้องไม่ผิดศีลนะคระูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมามากเลยอย่างบอกว่าวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้แล้วอย่าไปด่าแย่เขานะอะไรเงี้ยไปด่าเขาแล้วก็เสื่อมนะเป็นอุบายของท่านนะอะไรเสื่อมอะ่ะคุณงามความดีถ้าหากเสื่อมไปจากใจเราวัตถุมงคลเสื่อมไม่ยากหรอกเอาไปเสกใหม่มันก็ครั้งอีก แต่อย่าให้คุณงามความดีเสื่อมจากใจเราได้นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ลำบากแค่ไหนนะพยายามรักษาจิตรักษาใจของเรานะมีสติรู้ทันไปเรื่อยนะศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีานี่ปัญญาจะเกิดนะนะเราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยฝึกของเรา ท, ทุกวันทุกวันทาไปเรื่อย พอไหวไหมวันนี้นธรรมะเทศนะธรรมะเบสิกมากเลยเพราะใจของพวกเราจํำนวนมากมันฟุ้งมันฟุ้งอยู่กับการต่อสู้เราควรจะสู้คนอื่นนะอย่าลืมสู้กิเลสสู้ไหวไหมสู้ไม่ไหวเสียชื่อลูกพระพุทธเจ้านะอยังไงก็ต้องสู้สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ต้องลองสู้ดูก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้ <sugg> เคยรู้จักเจ้าคุณนอไหมอย่างน้อยก็รู้จักชื่อบ้า ง, างนะฮยานรรัตตอนท่านเป็นนิสิตจุฬาเรียนรัฐศาสตร์นะพ่อก็รุ่นน้องท่า น, นท่านเรียนรัฐศาสตร์จุฬารุ่นแรกเลยรัฐศาสตร์จุฬามันมีสองสองสองเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นแรกเนี่ยตั้งแต่ยุคเจ้าคุณนอนจนมาถึงสมัยปรีดีไปตั้งธรรมศาสตร์แล้วก็ย้าย รัชศาสตร์ยอยู่ธรรมศาสตรนะ์แล้วต่อมามาตั้งรัชศาสตร์ขึ้นอีกร อ, อบหนึ่งที่จุฬามันเลยเป็น2เจเนเรชั่นเจ้าคุณนนนะเป็นรุ่นแรกเจเน r เรชั่นที่หนึ่งนะตอนท่านเป็นนักศึกษาเนี่ยไปเรียนวิชาเสือป่าถ้ายคุคนี้ก็ไปเรียนรอดอยังมีแม่รอด อ, อยังมีอยู่ใช่ไหมรัการที่6ท่านก็ประทับอยู่นั่งดูนะท่านเห็นเจ้าคุณนนตัวเล็กนิดเดียวทาหน้าที่เป็นผู้สืบข่าว ไปรับข่าวทางนี้ไปบอกทางโน้นอะไรเงี้ยท่านก็เรียกมาถามว่าเจ้าตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยถ้าข้าศึกมันเห็นนะจะสู้มันได้หรอตัวเลก็กกระติดเดียวนะเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอท่านตอบว่าสู้ได้หรือไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่จะลองสู้ดู ก, ก่อนพระเจ้าค่ะวนี่เลยโปรดเลยนะเนี่ยพวกเราต้องสู้นะอสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้ไว้ก่อนนแหลย อย่าไปสู้เอาชนะกิเลสนะอย่าไปท้อแท้ใจกิเลสนะโคตรเง่าสกสาราตมันเยอะมากนะหลายชั้นหลายช่วงกิเลสเนี่ยละเอียดละออมมากเลยเราก็สู้ไปลําดับลําดับไปนะบางตอนก็สู้กิเลสหยาบหยาไปก่อนกิเลสกลางๆนะถัดไปถึงจะไปสู้กิเลสระดับสังโยชน์นะกิเลสระดับสังโยชน์เนี่ยถ้าเราเอาชนะได้เราจะขาดลอยเลยนะจะเป็นพระญาบุคคล ขาดแล้วขาดเลยไม่มีกลับมาอีกแล้วเมื่อวานนื้มีพเพลาหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงพ่อพันศาท่านมากนะแต่ท่านเรียนกับหลวงพ่อท่านเลยตือหลวงพ่อเป็นอาจารย์ให้มาส่งกันบ้า น, นท่านก็เล่าให้ฟังว่าออจิตผมตอนเนี้มันไม่เห็นกิเลสเลยนะมันเห็นแต่กุศล น, นะท่านว่าอย่างนี้เลยบอกท่านว่ากิเลสเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะหน้าเหมือนกุศล ท่านบอกจิต ท, ทางท่านมีความสุขมีความสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้รักษาเลยมีความสุขมีความสงบตลอดวันตลอดคืนโดยไม่ต้องรักษาไม่ต้องทําอะไรเลยบอกท่านว่านี่แหละที่เรียกว่ารูปปาราฆ า, ารูปปาราคะมันพอใจในความสุขความสงบนี้นะท่านอ้าวงั้นก็กิเลสิใช่กิเลสเนี่ยน่าเหมือนกุศลเลยนะรักสุขรักสบายไม่ยุ่งสบายนะบอกว่าเห็นไหมว่าอยากภาวนาให้เหมือนครูบาอาจารย์ เราทําไมไม่ได้อย่างครูบาอาจารย์นะไม่ได้ว่ากูเก่งนะแต่ว่าเออทาไงเราจะดีเหมือนท่านบ้างนะมีเขามีเราอนะมีความรู้สึกเทียเท บ, เทบเขาเทียบเราเทียบเขาเทียบเราเรียกว่ามานะอนะเรียกว่ามานะแม้กิเลสนี่ละเอียดมันเหมือนเราเคารพครูบาอาจารย์มากหรืออยากได้อย่างท่านบ้างอยากได้อย่างหลวงปู่มั่นบ้างหลวงปู่ดูลบ้างอะไรอย่างงี้นะใจสึกนั้นนี่แท้ก็คือเทียบเขาเทียบเราอยู่ลึกๆ่ะนะ หรือจิตมันพิจารณาธรรมะนะวันกว่าพิจารณาธรรมะอยูนะ่บอกนี้แหละชื่อว่าอุทธัจจะสังโยชน์อุทธัจจะสังโยชน์นะความฟุ้งซ่านที่เป็นสังโยชน์เนี่ยไม่เหมือนนิวรณ์ที่เป็นความฟุ้งซ่านนะอุทธัจจะนิวรณ์เนี่ยฟุ้งในกามอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงนะไปติดอกติดใจแนละ้วฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสจะฟุ้งไปในกามนะในขณะที่ ถ้าเป็นอุทัศจาสังโยชน์ฟุ้งไปในธรรมะนะค้นคว้าพิจารณาธรรมะพวกเราเวลาปฏิบัตินะ่ะทุกวันตื่นขึ้นมาเราคิดไหมว่าจะทํำยังไงดีวันนี้จะปฏิบัติยังไงนะใครคิดบ้างมีไหมถ้าคนไหนไม่คิดคือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะคิดทุกวันเลยว่าทําไงจะดีวันนี้อีกทําไงจะพ้นทุกข์ได้ทําไงจะหลุดพ้นนะเนี่ยใจมันคิดอย่างเนี้ยแล้วไม่จะสแสวงหา จะสแสวงหาทางคนทุกข์ใจมันจะดิ้นไปปรุงไปอะไรไปนะนี่แหละเรียกว่าบุทัจะนะบุทษจะสังโยชน ด, ดูแล้วเหมือนกุศลเลยนะงั้นกิเลสนะมันหลายชั้นหลายเชิงพวกเรายังไม่ถึงขั้นสู้สังยชนโดยตรงนะเราก็สู้กิเลสราคะโทสะโมหะสู้กับความฟุ้งซ่านสู้กับนิวร น, นิวรณ์เป็นตัวมืดมืดมัดมวมัวนะใจมืดใจมัว นะมืดมัวไปเพราะกามก็มีมืดมัวไปเพราะพยาบาทก็มีมืดมัวไปเพราะความฟุง้งซ่านนะลังเลสงสัยก็มีมืดมัวเพราะซึมเศร้าก็มีนะใครยังใจยังมัวได้บ้างยกมือซิมีไหมไม่ใช่ผ้านาคาเมืนะ่อตอบได้เลยนะอนะี่เราวัดของเราได้นะถ้านะผ้านาคานะใจจะสว่างเด่นดวงอยู่นะไม่มัวนะไม่มัวบางทีพวกพยามาณมันแกล้งครอบลงมา นะมืดโลกมืดตืดตือเลยแต่ใจยังสว่างอยู่เลยนะมันครอบใจไม่ได้จริงหรอกมัครอบหัวได้นะครอบใจไม่ได้หรอกนั้นะเรารักษาสตินะสมาธิปัญญานะพัฒนาใจของเราไปเรื่อยให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นไปเรื่อยอย่าเว้นวักการภาวนาต้องไม่เว้นวักนะยกเว้นเวลาที่นอนหลับจากเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดแต่เวลาที่หลับนะถ้าเรียนจะมาถานกับหลวงพ่อตอนหลับมันก็ภาวนาได้นะ จิตมันจะภาวนาเองมันเห็นร่างกายกลนครอกๆเลยเมื่อวานก็มีคนมาสมานบ้านร่างกายมันนอนกลนครอกๆน่าเกลียดมากเลยบางทีนั่งรถไปด้วยกันนะผู้หญิงนะนั่งรถไปนะให้มันนอนอ้าปากกลนด้วยนะอายเขาแทบแย่เลยปลุกมันเธอตื่นได้เท่าตื่นนะอายเขานะเพื่อนก็หัวเราะอย่างเงี้ยมันไม่ยอมตื่นสั่งมันไม่ได้ใครเคยเป็นไหมเคยเห็นร่างกายหลับเคยไหมย่องมือซิย่องมือซิโอเยอะมากใช้ได้ใช้ได้ แสดงว่าขยันภาวนานะเจนสติมันอัตโนมัติขึ้นมารลับอยู่นะจิตพักพอสมควรแล้วจิตจะขึ้นมาจเจริญสติต่อเห็นร่างกายนอนร่างกายไม่ใช่เราแล้วสั่งมันไม่ได้นะค่อยฝึกนะฝึกทุกวันทุกวันเราอย่าเว้นวักเอาให้ได้อย่างหลวง พ, พ, พ่อหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละเวลาที่ทํางานต้องคิดนะมันดูกายดูใจไม่ได้จเจริญสติปัญญาไม่ได้ สติไปอยู่ที่งานสมาธิไปอยู่กับงานปัญญาไปคิดเรื่องงานอันนั้นเป็นเวลาทํางานส่วนเวลาที่เหลือนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของเรานี้นจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนะสติระลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างอารมณ์ทางกายเด่นก็รู้กายอารมณ์ทางจิตเด่นก็รู้จิตไม่ได้เลือกหรอกเพราะดูกายก็เห็นไตรลักษดูจิตก็เห็นไตรลักณเพราะฉะนั้นไม่ว่าดูอะไรในกายในใจนะก็ดูไตรลักนั่นแหละ ทำกรรมฐานนั่นเดียวเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะตื่นนอนมานะจะเห็นจิตนะเคลื่อนขึ้นจากระวังร่างกายยังหลับอยู่นะจะเห็นจิตเนี้คยค่อยๆเคลื่อนขึ้นมานะพอเคลื่อนขึ้นมาแล้วมันเหมือนเปิดสวิตต์ปุ๊บรู้สึกขึ้นมานะก็เห็นร่างกายความรู้สึกก็เปิดสวิตต์ในร่างกายทีร่างกายก็กระตุกกระดิกขึ้นมาได้นะใครเคยเห็นมั้งตอนจิตที่ผุดขึ้นมาตอนนอนนะตอนตื่นเออที่ขยันดูนะดูเรื่อยๆแต่อย่าดูจนเครียดนะ บางคนจะรอดูตอนตื่นตั้งใจจะรอดูตอนตื่นเลยไม่หลับเลยไม่ได้ตื่นสักทีนะเครียดมากเกินไปอย่าไปให้เครียดภาวนาต้องสบายภานะนาไปสบายๆแต่ไม่ตามใจกิเลสนะบางคนบอกหลวงพ่อบอกภาวนาสบายเลยขี้เกียจตามใจกิเลสไม่ใช่สบายของเราหมายถึงภาวนาแบบไม่รีบร้อนทุรนทุรายอยากได้ผลเร็วๆนะนี่หลวงพ่อภาวนาตื่นมากก็เห็นแล้วละ่ะจิตมันตื่นขึ้นมา เห็นร่างกายมันนอนถัดจากนั้นจิตก็คิดวันนี้วันอะไรวันนี้วันจัน์วันจันปุ๊บจิตเหี่ยวแห้งเลยขี้เกียจเบื่อไม่อยากไปทํางานวันจันกับวันพุธน่ะรู้สึกไหมความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยนะพวกที่ทํางานห้าวันน่ะวันพุธสุดเซ็งรู้สึกไหมวันจันเนี่ยขี้เกียจเฉยๆแต่วันพุธเนี่ยเซ็งมากเลยแต่วันพุธแลหัดเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วนะแต่วันสุกก็ดีกระดาเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันนะ วันศุกร์เนี่ยมีความสุขที่สุดมีความสุขมากกว่าวันอาทิตย์อีกใครรู้สึก ง, งั้นไหมวันอาทิต ย, ย์บ่ายเนี่ยเซงอีกแล้วเป็นไหมเนี่ยต่อไปถ้าใครจะตั้งบริษัทนะสัมภาษณ์กูวันอาทิตย์ตอนบ่ายรู้สึกไงเซงมากอย่าไปรับมันพวกนี้พวกนี้มันขี้เกียจทำงานเนี่ยดูนะนั่นแต่ตื่นเลยจะกินข้าวก็ดูนะ กินข้าวจะตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็รู้ทันนะจะฟังเพลงนะเป็นโยมฟังเพลงได้นะฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้รู้ทันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันเลยงั้นอะไรนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่สําคัญหรอกนะบ้านเมืองจเจริญแล้วเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราก็มีหน้าที่ไปดูแลก็ไปไม่ว่าอะไรหรอกเป็นหน้าที่พลเมืองแต่หน้าที่ของชาวพุทธเราอย่าละเว้น นะจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาของเราเรื่อยๆไปนะอย่าล้าเบ้นอย่าท้อถอยต้องสู้เอานะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วปีใหม่ขอให้อยากได้อะไรก็เอ า, อางั้นนะนะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะทุกคนเป็นไปตามกรรมคำให้พรเป็นการให้กำลังใจหรอกนะแต่ให้ที่ดีกว่าพรนะให้ความจริงนะให้วิธีปฏิบัติ พวกเราไปปฏิบัติเอาอยากได้อะไรที่ดีๆเราก็ปฏิบัติเอานะแล้วเราก็จะได้อย่างนะั้นที่ต้องการหนอกถ้าเราอยากได้ของดีแต่เราไม่ไม่ลงทุนลงแรงไม่ปฏิบัติใครมาให้พรเราก็าไม่มีผลอะไรหรอกนะแต่ว่าโลกเ้านิยมให้พรเพื่อให้กําลังใจกันนะหลวงพ่อก็ให้นะใครอยากได้พรอะไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่เวียนแต่กรรมมวงเล็บไว้นะเพราะฉั้นเราสร้างความดีให้มากที่สุดนะ พ่เราทําความดีให้มากพอเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเราเกิดความจําเป็นอะไรในชีวิตนะสิ่งที่จําเป็นนั้นมันจะมาเองนะบุญนั้นเรามจะมาช่วยเราเองนะแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทําไวจะเรียกให้ใครมาช่วยเขามาไม่ทันนะเรียกให้มาช่วยเขาก็มาไม่ทันงั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเหมือนบุญของเราเองหรอกนะั้นสร้างสมบุกสมบรณของเราไว้นะวันนี้เท่านี้ก็พอ น้ำมสัสการเจ้าค่ะโยมส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วเจ้าค่ะโยสมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเจ้าค่ะมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งสมาธิไปก็ทำไมเห็นอ้อจิตมันพูดเองว่าอ้อไ อ, อความคิดนี้เองทำให้เป็นทุกข์แล้วก็พออีกวันสงวันนั่งอีกก็เห็นว่าเอ๊ะ าการยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็เห็นจิตมันไหลไปไหลมาเช้าค่ะจิตเดี๋ยวก็เป็นอย่งงางโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เ อ, อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆตามที่หลวงพ่อบอกเจ้แล้วก็เห็นว่าเออไ อ, อ, อ, อ้คืนน้ําลายก็ทุกข์มันบีบคั้นกันเจ้าค่ะอืมแล้วก็เวลาไ อ, อ สวดมนต์ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเวลาสวดมนต์ก็กั้นหายใจนิดนึงแล้วก็ค่อยสวดต่ออะไรเห็นปากประงาบประงาบแล้วก็เห็นเห็นมันเป็นอย่างโ้นอย่างนี้อย่างนี้ทําถูกรู้เปล่ปาเจ้าค่ะถูกนะแต่ว่าใจต้องเป็นกลางอันนี้ใจพอเห็นทุกข์แล้วใจยังเกลียดทุกข์อยู่เจ้าค่ะยังไม่ค่อยเป็นกลางสังเกลียดไหมยังลาคาญมันอยู่เจ้าค่ะให้รู้เอา นะของโยมพาวนามันก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีมากขึ้นแล้วนะเปลี่ยนไปมากแล้วอย่างน้อยธาตุขันแยกจิตทีก็สอนธรรมะเราได้แต่เวลาจิตสอนธรรมะเนี่ยให้เราฟังหูไว้หูนะเพราะจิตเรายัางมีกิเลสอยู่บางทีมันสอนสอนมันหลอกเราก็มีนะมานมันซอแกแทรกอ้าพี่สังขาร ม, มันมันหลอกเราแล้วบางครั้งก็เห็นจิตมันไหวๆเออมัน ไ, ไหวๆอยู่กลางอกนั่ น, นนะแหละเราเรา ควรทำยังไงต่อไปทําอะไรไม่ได้หลวงพ่อเคยเห็นไหวๆอยู่ทั้งเดือนกว่าๆทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะเห็นแล้วทุกข์มากเลยไปถามหลวงพ่อพูดว่าจะทําไงท่านก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เวลาที่การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ไหวยิบยับยิบยับไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเห็นแต่ไหวยิบยับยิบยั บ, ยบถามอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกอย่างเดียวกันะปรากฏว่าพอเราดูไปด้วยนะถ้ามันเหนื่อยขึ้นมาเนี่ย เราย้อนกลับมาทําความสงบบ้างพอใจเรามีความสงบพอเราไปดูนะมันจะผ่านตรงนี้ได้งั้นจะยิบยับอย่างนี้เป็นปีเลยนะจะเหนื่อยมากเลยถ้าที่พักของนักปฏิบัติก็คือทําความสงบเข้ามาบ้างเป็นคราวๆทําอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปให้อย่าไปดูไหวๆตลอดวันตลอดคืนถ้าดูตลอดนะั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะ <Yeah. S 1> จิตนั่นแหละมันปลุง ก็ทำยังไงจะได้ปล่อยวางได้จ้ะคะถ้ามีสมาธิพอนะจิตสงบพอไปดูแล้วมันจะปล่อยนะถ้าจิตไม่ได้พักเลยจิตมันเหนื่อยดูแล้วมันเหนื่อยนะมันไม่ปล่อยมันไม่เป็นกลางมันเกลียดนะ่ะมันเกลียด ไ, วไวหว หนูอย่าไปน้อมจิตให้ซึมน ะ, ะการทําสมาธิหรืออะไรก็ตามต้องประกอบด้วยสติเสมออย่าไปแกล้งทาจิตให้ซึมการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองนะหรือเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ดัดแปลงร่างกายเราก็ไม่ดัดแปลงจิตใจเราก็ไม่ดัดแปลงเรารู้ร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเรารู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นถ้าเราไปแกล้งดัดแปลงใจให้มันนิ่งอย่างนี้ทำให้ดู ถ้าไม่ไปค้างอยู่อย่างนะี้นะมันจะไม่เห็นของจริงนะหนูอยางให้ติดอยู่นะค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้มานานแล้วอะค่ะแก้ซะนะอย่าให้ค้างอยู่แล้วก็หนูปฏิบัติสายวิชาสามอะค่ะออมันจะไปด้วยกันได้ไหยคะได้ไดต่อได้นะแต่วิชาสามเนี่ยมันก็มาจากจากสมาธินะแล้วก็วิชาสามตัวที่สําคัญที่สุดคืออันที่สามนั่นแหละ ถ้าล้างกิเลสไม่ได้นะวิชา2 อ, อันแรกมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกสองอันแรกกดีไม่ดีหนุนกิเลสด้วยกูเก่งครูเก่งนะหรืออาพิญญาหกอ่ะที่สําคัญที่สุดคืออันที่6อ่ะนะล้างกิเลสได้นั้นจุดสําคัญอยู่ที่ทําะไรก็ได้นะให้มันล้างกิเลสได้พยายามรู้เท่าทันจิตใจของเราให้มากๆกิเลสอยู่ที่จิตเรารู้ทันบ่อยๆนะแล้วอย่างถ้าเราเคยชินเคยฝึกวิชา3ามอะไรมาเนี้ย พอเราล้างกิเลสในขณะที่เกิดอริยมรรคนะี่ยวิชาสามมันจะมานะเออมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปฝึกมันหรอกแต่ว่าหนูต้องยึดถือกายภายในอะะ่ะค่ะอะไรนะยึดถือกายภายในว่าเป็นตัวเราเมาตลอดอะค่ะนั่นแหละดูไปจนเห็นเลยมันไม่ใช่เรานาะดูจะเห็นของจริงเป็นเราได้ไงนะมันก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะ อย่างเวลาเราทําสมาธินะเมื่อทีเราเห็นพระพุทธเจ้านะเห็นพระอราหันต์ที่นิพพานแล้วเหมือนก็อยู่เป็นเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นเป็นภาพนิมิตนะหลวงปู่ดู่เนี่ยสอนดีหลวงปู่ดู่วัดสแกนะ่ท่านสอนไว้ดีนะบอกว่าอันนั้นมันเป็นภาพนิมิตนิพพานจริงๆเลยนั้นไปอีกนะแต่ว่ามันเป็นนิมิตที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายเวลาท่านจะนิพพานนะ ท่านทิ้งพลังงานไว้ให้เราเราพอนาไปเราไปเจอเข้าเราคิดนึกว่านี่นิพานไม่ใช่นิพานหรอกนิพานไม่มีรูปมีนามหรอกนะเนี่ยโลคูดูนั้นแหละตอบได้ชัดนะทั้งนี้อยางให้หลวงพ่อแนะนําที่จะปฏิบัติตอบมีสติให้มากนะมีสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเออต้องอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิผู้ซุ่มๆนะเราวิชาสาอภิญญาหไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรอก ถ้าเคยฝึกมาแล้วนะถ้าเคยฝึกมาแล้วว่าตอนที่เกิดอริยมรรคมันจะตามมาโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้ามุ่งอย่งเอาวิชาสามเนี่ยจะไม่ได้สักกว่วิชาเดียวมันมีแต่ว่าจิตมันปรุงให้ดูเท่านั้นนหะเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกนะเห็นหนะ้าเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงะระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าเกี่ยวพิสูจน์ยังไงพูดยากนะเห็นคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างเงี้ย จริงหรือเปล่าพูดยากท่านเลยไม่ให้พระพูดเรื่องนี้กับคนอื่นรู้กันเองไปฝึกเอานะเอาอันที่สามไม่ได้หนึ่งกับสองมาเองเนะี่ยอันที่สาม้อมาทำอยงที่หลวงพ่อสอนนะนะัสการครับหลวงพ่อพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านนะครับพอดีผมปฏิบัติสามช่วง ในหนึ่งวันผมจะปฏิบัติสามช่วงคือตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะออกไปวิ่งแล้วดูกายที่เหงื่อไหลเราจะเห็นว่าเหงื่อออกเหนื่อยมากแล้วก็ใจมันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าทําไมกายเหนื่อยแต่ว่าใจมันก็ยังสดชื่นอยู่เอา้าเราไม่ได้วิ่งด้วยใจเรากายวิ่งเนี่ยใจเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูคนอื่นวิ่งอ่ะเราไม่เหนื่อยสิใช่ไหมครับ ทีนี้พอผมเหนื่อยเนี่ยผมก็ขยับตัวมาเป็นการเดินก็รู้สึกว่าพอเดินเราเข้าใจว่าเราวิ่งเราทุกข์พอเดินเรารู้สึกเราสุขแต่เดินไปสักพักเราก็รู้สึกว่าเราเมื่อยอืมันก็สุขแต่ว่ามันก็จะมีทุกข์ต่อ<ช>เนื่องถุกแล้วล่ะแล้วก็พอหลังจากเสร็จวิ่งเนี่ยผมก็จะเข้าลิฟท์ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมชอบมากครับก็คือผมอยู่คอนโดะครับพรจาร แล้วพอเข้าลิฟต์เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเออมันจะปล่อยวางเพราะว่าคือลิฟต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอปิดปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเออมันเป็นช่วงชีวิตที่เราต้องปล่อยวางเพราะว่าการขึ้นหรือลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสี้ยววินาทีนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าก็ถูกนะแต่ว่ามันยังเจือคิดอยูนะ่เราดูของจริงให้มากขึ้นมากขึ้นนะก็จะดี แล้วทีนี้ที่สาเหตุที่ผมส่งกันบ้านวันนี้เพราะว่าอปัจจุบันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนผมจะนอนเนี่ยผมมีความฟุ้งซ่านเพราะว่าผมรู้สึกว่าอคือจะนอนเนี่ยผมกลัวว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ตื่นนะครับแล้วน้ำ <ปะ S 2> มันคิดเยอะไปตื่นไม่ตื่นไม่สําคัญนะสําคัญว่าขณะนี้มีสติอยู่นะ ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดที่จิตในปัจจุบันเนี้ยดูไปเรื่อยๆเลยถ้าเราใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี้ยคุ้มค่าแล้วเนี้ยถัดจากนี้ไปจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแนละ้วสำคัญที่ตรงนี้แหละนะถ้าเรามีชีวิตปัจจุบันดีไปแล้วเนี่ยอนาคตไม่มีความหมายขอขอบพระคุณครับอาจารย์ทองยมมันจะคิดนําเยอะนะต้องระวังดูให้เยอะดูความจริงของกายดูความจริงของใจดูให้มาก ร่างกายไม่ใช่เราหรอกมันวิ่งมันเดินไปนะออแล้วใจเป็นแค่คนดูใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ดูของจริงไปเลยนะอ่ะต่อไปตอนนี้ค่ะคือที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ก็คือจะเห็นความเกิดดับของการเพ่งแล้วก็การปรุงแต่งที่ว่าแล้วแต่ได้ยินปุ๊บเขาจะไปเป็นภาพ คิดแล้วก็กลับมาปัจจุบ uh, ันแล้วก็จะเพ่งแล้วก็จะเกิดดับเกิดดับอยู่กับกายเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็กังวลว่าจะทํายังไงอจะปรุงจะส่งหลวงพ่อยังไงแล้วก็คือมันจะสลับไปอะค่ะเดี๋ยวมีกุศลเกิดขึ้นเดี๋ยวถเห็นกายเกิดคือเราพานานะเราไม่ต้องไปคิดเราว่าจะทํำยังไงจะทํำยังไงะกุศลเกิดขึ้นเรารู้เห็นกุศลอยู่แล้วก็ไป อกุศลเกิดเราก็รู้เห็นอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปนะ่ะเฉยๆ เ, ฉยเกิดอยู่ชั่วคราวก็ไปเหตุทุกอย่างที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการปฏิบัติทำแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยค่ะเที่ยวที่แล้วหลวงพ่อชมว่าคือสิทธิ์หลวงพ่อต้องให้ได้อย่างนี้สิแล้วมันมีตัวตนแบบมันมีพลังขึ้นมาค่ะแล้วมันก็กลับลงไปแบบเหมือนตกรูปลงไปอีกรอบเป็น<อ>ธรรมดาน ะ, นะะเจริญได้ก็เสื่อมได้ ค่ะตอนนี้ก็มีกำลังมากขึ้นพอกลับมาปฏิบัติแบบเต็มเป็นรูปแบบต่อเนื่องอะค่ะก็เห็นตั้งใจไว้นะเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะได้ผลไม่ได้ผลช่างมันแล้วก็วันก่อนนั้นเข้ากรุงเทพเห็นเห็นรู้สึกพอหลับปุ๊บทุกสิบนาทียี่สิบนาทีจะตื่นขึ้นมาก็เห็นเป็นกายที่แบบว่าเหมือนเป็นท่อนไม้แล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบ ไปดูเขาที่เสือเขาทื่อจังเลยแบบเขาเกรงหมดแล้วนะแต่ว่าจิตที่ไม่ได้หลับเต็มที่จะจะรู้สึกว่ามีความสว่างและโปร่งใสเป็นเด่นดวงตลอดทั้งวันค่ะคือจิตมันมีสมาธิมากพอนะมีสติมากพอเวลาหลับมันหลับอย่างนั้นนะสว่างสบายอยู่หลับก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขค่ะแล้วก็ให้ให้หนูทําอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าช่วงไหนใจมันฟุ้งนะก็ทําความสงบนะ แช่พุ่งสร้างทำความสงบเป็นช่วงๆไปค่ะเราไม่ทิ้งการทำความสงบถ้าทิ้งนานๆใจไม่มีแรงค่ะตอนตอนนี้อยูออ่น่าจะเหนื่อยมากกว่าค่ะเพราะคือเกิดแล้วก็ดับแล้ ว, ลวคิดไม่ทันแล้วก็จะคุ่งจะตื่นเต้นนั่นแหละถ้ามันเป็นอารมณ์มันเร็วมากนะะดูไม่ไหวแล้วเหนื่อยแะ้วทำความสงบพุดโธพูดโธไปก็ยังดีส่วนมากจะเป็นอัตโนมัติตอนที่หลับมากกว่าค่าะเอ ขอบคุณมากค่ะนมมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้างครั้งที่สองค่ะมาได้ส่งมาหนึ่งปีค่ะมีคำถามคือว่ า, เ, าเวลาปฏิบัติปฏิบัติด้วยอาณาปานสติค่ ะ, คะพอดูลมหายใจไปสักสองสามลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันจะตื้นขึ้นใช่แล้วก็พอตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วมันจะไปเร็วมากคือแทบจะมองไม่เห็นลมหายใจค่ ะ, คะคแล้วก็มันก็หลังจากนั้นก็ จับลมหายใจยากจนกระทั่งต้องหายใจแรงๆเพื่อที่จะคื อ, องี้เราไม่จําเป็นต้องกลับไปที่ลมแรงๆนะยกเว้นแต่สติเราไม่มีแล้วจะนั่งล็อเคริ้มจะลืมตัวเราก็หายใจให้แรงไว้แต่ถ้าสติไม่ขาดนะหายใจไปลมค่อยตื้นๆตื้นๆจนกระทั่ทงมันหยุดนะมันจะสว่างรู้สึกสว่างนะมใช่ค่ะถ้าสว่างแล้วเราก็รู้ควาสว่างไปสบายรู้แสงสว่าง น, นะแทนลมหายใจ ลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตแสงสว่างเรียกว่าอุกหะนิมิต ด, นะดูไปจนกระทั่งเราควบคุมแสงสว่างได้เลยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือปัจจุบันพอลมหายใจตื้นเราก็เห็นแต่แสงสว่างก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงต่อเออเรารู้แสงไปพักอยู่กับแสงให้พอน ะ, ะพอใจพอใจแล้วก็ออกจากสมาธิมาดูลงในร่างกายเลยร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นียไม่ใช่ตัวเรา อาจจะช่วยมันคิดนิดหน่อยก็ได้ตอนเริ่มต้นถ้เราเข้าสมาธิลึกแล้วบางทีจิตไม่ยอมเดินปัญญาก็ช่วยมันคิดคิดพิจะะารณาะดูไปเลยตัวเนี้ยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกะเมื่อวานก็ไม่ยอมมาส่กันบ้างเมาาื่อวันศืนน์ภาวนาไปจนกรทั่งลมดับนะร่างกายก็หายโลกก็ไม่มีนะเหลือแต่จิตอันเดียวสว่างสวัยเขาบอกเราก็จะทําอะไรอีกบอกไม่ต้องทําอะไร นะพอจิตมันถอยออกมาจากสมาธิกลับมามีร่างกายก็เห็นเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูต่อไปเลยของโยมพอออกจากสมาธิก็เดินปัญญาต่อไปเลยก็ตอนนี้เห็นว่าพอเห็นแสงแล้วก็ให้ให้คิดนำนิดนึงได้ไหมคะไม่ใช่ใชมไม่ใช่เห็นแสงแล้วก็พักผ่อนอยู่กับแสงนั่นแหลนะค่นะพอใจสบายใจมีความสุขนะพ่ารู้ทันว่าใจมีความสุขอย่างนี้ก็ได้เดินปัญญาอยู่ในสมาธิไปเลย เห็นความสุขเกิดขึ้นรู้ทั น, น<ม>เห็นใจเฉยๆรู้ทั น, นเดินปัญญาในสมาธิก็ได้นะ<ม>อีกวิธีหนึ่งถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาในสมาธิถ้าเดินในสมาธิแล้วฟุ้งสั้นเราก็ไม่ต้องไปเดินไม่เดินปัญญาในสมาธิเดี๋ยวฟุ้งนะรอมันถอยออกจากสมาธิมาพอมันมามีร่างกายแล้วดูร่างกายเลย<ม>ให้เห็นเล้ร่างกายกระจายมันคนล อ, อันกันร่างกายไม่ใช่เราดูมไปเลยแต่ถ้ามันไม่ยอมดูก็ช่วยมันคิดนิดหน่อย ไม่ใช่ไปนั่งคิดอยู่ในนั้นนะแสงหายเลยจเกิดคิดอ่ดนะจิตจะอถอนออกจากสมาธิที่ทำมาถูกไหมคะก็ดีนะแต่พยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอย่ารักษาจิตให้นิ่งๆ น, นะให้มันเกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไป เพิ่งฟังซีดีมาได้ประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะ<ม>แต่ว่าปฏิบัติในรูปแบบจะดูลมหายใจกับดูเวทนาอเดูช่วงแรกจะเคม้มเ ค, มะคะิมาค่ะแล้วก็ช่วงหลังจะรู้สึกว่ามันว่างๆดูไม่ค่อยเห็นกิเลสอะคะ่ะถ้าดูกิเลสไม่ได้ดูร่างกายเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายหายใจร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายใช้หลักนี้เลยดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกาย ถ้าดูอะไรก็ไม่ได้ก็อยู่กับลมหายใจได้ความสุขความสงบพอจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขก็กลับมาดูจิตได้แล้วคุณค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับคือผมได้รู้จักพระอาจารย์เมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาโดยบังเอิญ น, นะครับคือว่าเมื่อก่อนผมเคยปฏิบัติมาก่อนแต่ก็ไม่มีหลักในการปฏิบัติชัดเจนแล้วเมื่อประมาณเมื่อปีใหม่ ที่ผ่านมาผมได้ไปเจอหนังสือพระอาจารย์ที่เป็นเหมือนเป็นนิทานนะครับผมแล้วมีซีดีบ้งหละมีประมาณสี่สิบกว่าตอนซึ่งผมก็ได้ฟังจากซีดีทั้งหมดสี่สิกว่าตอนนี้ครับผมประมาณสามสี่รอบจนนะวันนี้ถามว่ามันเกิดสัญญาทุกทุกครั้งที่แต่ละครั้งแต่ละแต่ละตอนที่จะเกิดที่อาจารย์ที่พระอาจารย์จะพูดขึ้นมาจะเทสขึ้นมาซึ่ง ณ ว, วันนี้เนี่ยผมผมก็ได้ได้ได้ใช้ซีดีของพระอาจารย์นะครับในการในการปฏิบัติในการฝึกการภาวนาของผมในชีวิตประจําวันณ ว, วันนี้เนี่ยการภาวนาของผมเนี่ยผมใช้หลักของธรรมชาติเป็นตัวสอนผมมากกว่าสิ่งใดที่ธรรมชาติสัมผัสเข้ามาในในใ น, ในตาหูกายใจทั้งหลายของผมเนี่ยผมก็จะระลึกรู้สิ่งเหล่า น, นั้นแล้วก็อะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะรู้ว่า ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้สงสัยอะไรมากมายวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่ที่เราเราไม่หยุดอยู่แค่สิ่งที่มากระทบนะครับให้มันกระทบไปตามธรรมดานะกระทบถ้าใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้กระทบแล้วรู้ทันใจนะเอเราไม่ได้กระทบแล้วรู้รู้รูปรู้เสียงไอ้นั่นมันต้องข้างนอกครับนะที่พาวนาอยู่ใช้ได้นะซึ่ง ซึ่งณนะนะตอนนี้ครับผมผมมีคำถามนะครับคือว่าอยากจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยกระจ่างให้ผมนิดนึงนะครับคือผมมีความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นแต่ผมกไ็ได้ถามตัวเองมาตลอดว่าไอสิ่งที่ผมรู้สึกเบื่อเนี่ยมันเกิดจากโทสะหรือเปล่าซึ่งแรกๆผมคิดว่ามันเกิดจากโทสะแต่ขณะเดียวกั น, นในระยะเวลาหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่า ไอ้ความรู้สึกเบื่อเนี่ยมันมันก็เหมือนเหมือนเดิมอืแล้วมันก็บางทีมันเห็นอะไรที่อยากก็ไม่รู้สึกอยากอยากมีอยากได้อยากเป็นก็ไม่ไม่มันถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่ามันลดน้อยลงมากผมก็เลยอยากทราบว่าไอ้ความรู้สึกเบื่อที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นณวันนี้เนี่ยมันเป็นความเบื่อที่เกิดจากโทสะหรือว่าเป็นเบื่อที่มันมันเห็นคือคือมันมีผสมกันนะ บางช่วงก็โทสะแทรกเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญญาเรียกว่านิพิทาถ้าเกิดจากปัญญาเนี่ย<บ>มันจะเบื่อทุกอย่างนะถ้าเบื่อด้วยโทสะเนี่ยมันจะอยากพ้นอันนี้ไปแล้วอยากไปได้อีกอันนึ่งนี่ลองวัดตัวเองด้วยวิธีนี้ดูถ้านิพิทาเนี่ยอะไรๆก็น่าเบื่อหมดเลยสุกขทุกข์ก็น่าเบื่อดีชั่วก็น่าเบื่อนะครับแต่ถา้าโทสะเนี่ยจะเกลียดอันหนึง่งจะไปแอบไปชอบอีกอันหนึ่งนี่วัด ปัดใจของเราคนระับแล้วผมเคยเจออุบัติเหตุครั้งหนึ่งครับหลวงพ่อคือผมเกิด อ, อุบัติเหตุเมื่อประมาณสิงหาปีที่แลว้วครับผมซึ่งลดลดความอะครับผมมันไม่ถึงกับความคราับแต่ว่าณตอนนั้นผมไม่ไ ม, ไม่ไม่ทราบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่รถมันหมุนสามร้อหกสิองศาผมเห็นภาพเออนั่นแหละมันเป็นจดช็อตจดตอนนั้นยังไม่ได้ฟังซีดีใช่ไหมฟังซีดีหลวงพ่อยังยังไม่ได้ฟังครับผมถ้างั้นมันมีของเก่านะที่ยัเคยเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ ตอนนั้นจิตมันรวมเวลาเกิดฉุกเฉินจริงๆนักปฏิบัตินะที่เสี่ยงตายเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยนะแล้วมันจะเห็นเป็นช็อตๆๆเลยมันเห็นรูปเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆเหมือนดูการ์ตูนเลยนะครับเอนั่นแหละแสดงว่าของเก่าเรามีนะต่อยอดนะเราจะไปไม่ยากนะผมขอ ค, คำถามนะครับคือว่าผมมีความตั้งใจว่าชีวิตผมเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยผมอยู่ทางโลกมาเยอะแล้วครับผม ผมมีตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมเนี่ยผมจะผู้ที่ตัวเองให้กับพุทธศาสนาด้วยผมจะบวชผมอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าด้วยะตอนนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะจะเดินทางมีแล้วหรือยังครับยังนะยังบวชตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความสุขครับนะเนียภาวนาอีกนะภาวนาให้ได้เยอะๆเลย แล้วเวลาไปบวดน่าจะมีความสุขมากเลย บ, บกวกส่านนี้เราจะไปเจอสภาพแวดล้อมในวัดวัดที่เป็นโลกโลกหนึ่งนะมีกิเลสมีอะไรซารพัดเลยเราไปเจอแล้วเราผิดหวังบางคนเบื่อวัดเลยไม่อยากยุ่งกับวัดเลยพระก็กิดเลสเยอะนะยังไม่พอนะยังไม่พอขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ มาครั้งแรกค่ะมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะชันนี้ปฏิบัติมาสิบหกปีแล้วค่ะ mm hmm. ก็เมื่อปีสี่หนึ่งเนี่ยเข้าเข้าวัดใหม่ๆก็เลยบเแบบว่าไม่สบายแล้วก็นอนพักผ่อนพักรักษาตัวเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มีนอนนอนอยู่ก็เห็นโครงกระดูกตัวเอง่ mm hmm. ะแล้วก็ต ก, กใจว่าใครว่าโครงกระดูกมันกำลังจะหลุดจาก เป็นเป็นท่อนๆ อ, อย่างเงี้ยก็ตกใจจิตก็ถอยออกมาพอ ถ, ถอยออกมาก็เลยถามใครเขามีใครรู้เรื่อง<ๆ>เขาเลยตัดสินใจไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเขาถามพระคุณแม่ท่านว่าเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้ไม่ทราบคืออะไร<ๆ>ท่านบอกโอ งานลูกก็เ อ, อทํากายให้พังนะเออทําต่อให้กายพังนะลูกท่านว่าก็เลยทําต่อเสร็จ แ, แล้วท่านเขาบอกว่าต่อไปนี้ให้ดูจิตในจิตนะก็เลยดูจิตในจิตไปเอ้ยดูจิตในจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันทํำยังไงไม่เข้าใจก็เลยพอดีตัวเองเนี่ยทําสมาธิมไม่ได้เข้าฌานไม่เป็นก็เลยขณะที่อยู่ที่สํานักนั้นน่ะก็มีพระหลวงตาท่านก็บอกว่า ทำสมาธิไม่ได้เข้าวชานไม่เป็นก็ใช้ปัญญาสี่ก็เลยยมก็เลยมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทุกโทษของราคาโทสะโมหะโลภะก็น้อมลงสู่ปัไตลักษ์แล้วก็ทำซ้ำๆๆๆๆเป็นเดือนๆปีๆในที่สุดมันก็มันก็ผุดออกมาจากกลางกลางอกว่าหลายๆครั้งหลายอย่างทรานนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ผุดออกมาว่า มห้าผ่านแล้วนะอยู่โมหกขาว่าอย่างนี้<ม>ก็เลยก็เลยตัดสินใจไปที่สถานที่เดิมอีก<ม><ม>ไปถามพระคุณแม่ท่านบอกว่าทำถูกแล้วนะลูกให้ทำต่อไป<ม><ม>สู้ตายนะ<ม><ม>ท่านก็ว่าอย่างนี้ก็เลยทำตามค<ม>็นี้พอเมื่อมาปีห้าห้าสี่สีงหาห้าห้าค่ะก็เลยไปสำนักสงฆ์ที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานี<ม>ก็ คล้ายๆับว่ามั น, ม, นมันเหมือนกับเคลิมเคมอ่ะนอนนอนเคลิมเคมอ่ะว่าไปไปที่สำนักสงฆ์แล้วก็ครั้นี้พอไปถึงก็ไปฟังพระท่านเทศเสร็จแล้วก็กลับมานั่งเหมือนเก้าอี้มันมีความรู้สึกว่าหลุดผลิตมาจากกลางอกเนี่ยแล้วบอกอ้าวหลุดแล้วเหรอทำไมหลุ ด, ดง่ายๆอย่างนี้ล่ะ ก, ก็ถามตัวเองอย่างเนี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยเป็นอยู่หลายเดือน สัญญาก็ไม่มีมันมันลืมไปหมดเลยสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่รู้หายไปไหนหมดเลยก็ เ, เลยบอกอา้าแล้วเราเป็นอะไรอย่าเนี้ยถามตัวเองว่าอาแปลกจริงเลยพอมาปีห้าหกค่ะสติแตกกิเลสมาเต็มหมดทุกการทุกอย่างเลย <laughs> โอยเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ก็ <laughs> ทําไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็บอกพระพุทธองค์เจ้าขาลุขอร้องให้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขอให้มัน อลบายอ่ะมันมันมีครบหมดเลยลักลอบปลดลงมาหมดทั้งชุดเลยอะค่ะแสร็แล้วก็ทำไม่ถูกแล้วก็เลยร้องให้เสร็จพอดีลูกขึ้นกรุงเทพก็ตามลูกขึ้นมาแต่เราก็ต่อไปต่อไปสำนักที่เคยไปจะไปถามพระคุณแม่พอเอิบาังเอิญท่านก็ะละสำคัญค่ะทีนี้ก็เลยอยู่จนจบแล้วก็กลับมา พอ ก, กลับมาพอดีมาพักบ้านลูกก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เออดีขึ้นแล้วก็เลยพาเอาไปฟังที่บ้านสุราชที น, นี้พอฟังฟังก็ทาตามฟังวันแรกนะคะก็ทำตามทำตามแต่แล้วเหนื่อยเดินจงกรมเหนื่อยแล้วค่ะมาล้มลงตัวลงนอนพอล้มตัวลงนอนปุ๊บ ก, ก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยมันมัน เห็นเป็นก้อนธาตุแล้วก็เป็นเป็นท่อนไม้เป็นท่อนหินแล้วก็จิบก็บอกว่าอ๋อนั่นมันเป็นก้อนธาตุมันเขาแสดงพระไตรลักษณ์ให้เห็นว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วก็วันที่สองฟังอีกพอฟังอีกก็แต่ไม่ได้ทําตามนั่งฟังเฉยๆพอนั่งฟังเฉยๆก็ก็ฟังหลวงพ่อท่านเทศก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้ว รู้หนึ่งสิ่งในหลายสิ่งรู้หลายสิ่งในหนึ่งสิ่งอ๋อเข้าใจแล้วก็ก็ว่างนั้นหาเสร็จแล้วพอวันหลังก็ทําตามอีกทําตามแล้วก็แบบว่าบางทีก็ถามว่าแขนของเราไหมหัวของเราไหมตัวของเราไหมขาของเราไหมถามเงี้ยพอถามเสร็จแล้วเขาแสดงให้เห็นหมดเลยฮะทุกอย่างเป็นเขาบอกว่าจิตเขาบอกว่านั่นคือลูก<ม>คือเห็นเป็นนอนท่อนยาวๆเฉยๆ<ม>แล้วของโยมโยมเอางี้งนะจ้ะ โยมเนี้ยจิตต้องถึงฐานจริงๆนะ mm hmm. เวลาอย่างเวลาเราคิดเวลาอะไรเนี้ยสังเกตไหมจิตมันกระจายออกไป mm hmm. มันไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะ mm hmm. เราพยายามรู้สึกตัวนะให้มันรู้สึกตัวให้จิตมันกลับบ้านงั้นจิตมันหนีไป mm hmm. นะจะยืนเดินนั่งนอนนะมีความรู้สึกตัวไปสบายโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะ mm hmm. รู้สึกอย่างสบายนะทํามาดีแล้วนะแต่ว่าใจต้องถึงฐานจริง ๆ, ๆ mm hmm. นะ ของโยมเนี่ยมั น, ม, นมันเริ่มมาจากสมาธิทําสมาธิไม่ได้ตั้งแต่แรกเอองั้นจุดอ่อนของเราก็คือจิตเนี่ยมันไม่เข้าฐานเต็มที่นะงั้นเราพยายามรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเรารู้จิตมันหนีเรารู้นะเขาโยมเนี่ยจุดที่ขาดตอนเนี้ยคือจิตตั้งมั่นนะงั้นไปปัญญาเนี่ยเดินแตกฉานแล้วนะเพิ่มสมาธิคอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปจิตหนีแล้วรู้ไม่ห้ามนะ ให้หนีได้แต่หนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้ได้นะอไม่งั้นมันจะไม่ขาดถามว่าขณะนี้จิตอยู่ตรงไหนคะจิตอยู่ขณะนอกจิตอยู่ตรงไหนคะจิตมันกระจายออกนอกมันโล่งโล่งว่างๆไปนะคะอกลับมาที่กายกลับมาที่ใจเราบ่อยๆนะะแล้วก็คอยรู้เวลาจิตหนีไปคิดสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆ เหมือนที่พระคุณแม่บอกว่าพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้ทำตัวนี้ให้ได้นะไม่งั้นมันไม่ครบศีลมีปัญญามีขาดสมาธินะฝึกตัวนี้อ่ะต่อไปให้ประเด็นบ้างกับมัจจการหลวงพ่อค่ะก็แต่ละวันจะเดินจงกรมวันละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเวลาที่เดินบางครั้งก็จะจะเห็นสัญญาแล้วก็ สังขารแล้วแล้วพอรู้สึกเตลแล้วมันมันดับไปเนี่ยตรงนี้ถือว่าจาัดว่าเป็นไตรักหรือเปล่าคะหลวงพ่อสังขารตัวไหนน่ะเห็นอะไรดับเห็นเห็นความปรุงแต่งแล้วมันมันดับไปอะคะ่ะเอ อ, เ, อ, อเห็นมันมาแล้วไปมาแล้วไปใช่ไหมอย่างนั้นก็ดูเรื่อยๆนะแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านให้รู้นะใจะยังฟุ้งเก่งอยู่เออแล้วเวลาที่นั่งสมาต์เอานั่งนั่งสมาธิ่ะบางที จะเกิดความกลัวขึ้นมาที่มืดมืดเลยอย่างเงี้ยเปจะไม่สามารถเปิดผ่านตรงนี้ไปได้เลยเปิดไฟนั่งก็ขอกันบ้านแล้วก็เดียวทางปเนี่ยไปเปิดไฟนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งคอยรู้ทันร่างกายหายใจก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลงไปที่ลมหายใจก็รู้นะนั่งฝึกรู้อย่างนี้ให้มากเลย จิตจะได้มีพลังจิตยังไม่มีพลังคนเราไม่ได้กลัวอะไรมากส่วนมากกลัวความมืดน ะ, ะมันกลัวมืดเปิดไฟไว้ก่อนแต่ว ว, วันหลังก็เดินจงกรมก็เลยไปเน้นเดินจงกรมแทนนะคะเพราะ่าไปต้องเดินจงกรมก็ต้องเดินรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดนะูเห็นใจมันไปคิดแล้วเราก็รู้ทันใจที่ไปคิดใจไหลแล้วรู้น ะ, ะ ร, รู้กายรู้ใจไปเดินจงกรม มากราบคุณค่ะกราบนวัการของพ่อเจ้าค่ะวันนี้รูปเอาการปฏิบัติมาสง่บบาางถวายพ่อเจ้าค่ะขอเวลาหน่อยโยมสุราชจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยจิตหนีไปเรารู้อย่างนี้นะรู้บ่อยๆรู้เร็วๆจิตจะได้กลับเข้ามาเนะอริยะมรรคจะเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ถึงฐานนะโมทนานะเอาของมาถวายเอ่ะว่าม า, าอชอบมาก ค, ค่ ะ, คะ เอาการบ้านมาส่งทำไมเจ้าค่ะลูกของเมตตาความเมตตาหลวงพ่อช่วยช่วยมิเนชี้แนะลูกด้วยค่ะว่าผิดพลาดประการใดหรือว่ามีสิ่งใดคาดตกบกพร่องนะเจ้าคะตอนนี้ลูกปฏิบัติด้วยการบริกรรมทุกวันค่ะแล้วก็เวลาจิตเผลอไปก็ก็รู้อะค่ะแล้วก็ดึงกลับมาแต่แกพบว่าตัวเองอเผลอไปบ่อยมากแล้วก็ดึงกลับมาบ่อยมากลูกปฏิบัติอย่างนี้มานานมากแล้วเจ้าค่ะ เราก็เลยก็เลยรู้สึว่าวันเนี้ยควรจะต้องมาขอคำแนะนำ่ะดึงมาเนี่ยแน่นไหมนิดนึงเจ้าค่ะเกิดอาดนะถ้ายังมีน้ำหนักเกิดขึ้นนะแสดงว่าเราจงใจะนะต่อไปเราไม่ดึงหรอกเราแค่รู้ว่าเข้าไปพอรู้ว่าเข้าไปนะเขากลับมาเองนะจะไม่แน่นใจจะโล่งสบายนะแต่เบื้องต้นมันก็อดดึงไม่ได้หรอก<ะ>นะค่อยๆรู้ไปเรา้อค่อยคลายออกในสุดไม่ได้ดึงนะกลับมาเอง กลัมารู้มาตื่นมาเบิกบานขึ้นมาถ้าดึงมามจะแน่นๆค่ะ ล, ลูกขอคําแนะนําที่ให้ลูกได้เจริญปฏิบัติได้เจริญยิ่งยิ่งยิ่งไปอาจารย์คะพรรู้สึกปฏิบัติมานานแล้วรู้สึกไม่ได้ไปไหนใจ<ช>มันยังฟุ้งอยู่ต้องทำยังไงเจ้าคะใจ<ช><ช><ช>มันฟุ้งเก่งนั้นทํากรรมฐานนะแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญาเลยอย่าไปกังวลว่าทําไมช้านะถ้าจิตถูกเนี่ยบางคนนะแป๊บเดียวเองอะ มันอยู่ที่ว่าจิตเราเดินได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าจิตถูกต้องบางคนใช้เวลานิดเดียวในการที่จะไปถึงมรรคถึงผลนะแ ต, แต่ถ้าจิตไม่ถูกไม่ถึงหรอกสิ่งที่ลูกทํานี่ถูกต้องเหมาะสมกับลูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะยังฟุ้งอยู่มยังฟุ้งเก่งอยู่ให้เราคอยรู้สึกนะเวลาใจไหลไมีคิดรู้ทันใจไหลมีคิดรู้รู้สบายสบายไม่ว่าเขานะยิ่งไหลแล้วรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี <S <S ดีกว่าไม่ให้ไหลเลยนะ ฝึกตัวนี้บ่อยๆฝึกให้ชํานาญเลยแล้วต่อไปตัวอื่นมันจะค่อยพัฒนาขึ้นมานะปัญญาไม่ต้องกลัวหรอกปัญญาเยอะทําไปเรื่อยๆใช่มจ๊ะคะถ้าถ้าลูกทนอย่างนี้ไปเรื่อยการยกทาสักยกขันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใา่คือสมาธิมีนะขันถึงจะแยกอ๋อถือหลวงพ่อถือต้องปรับจิตให้มีพลังสะก่อนคือฝึกสมาธิเพิ่มใช่ไหมจ๊ะคะฝึกสมาธิให้ถูกพิธีนะถูกชนิดไม่ได้ฝึกให้สงบนิ่ง ทำสมาธิอย่างหนึ่งขึ้นมากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันไหลเช่นเรารู้ลมหายใจบางทีจิตก็ไหลไปคิดบางทีจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะให้รู้ทันจิตและจิตจะตั้งมั่นพอไหลปุ๊บมันจะรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้นะอย่างเนี้ยไหลออกไปแล้วรู้สึกไหมเออเนี่ยหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆทําให้ตั้งมั่นกว่านี้ใช่มันจะตั้งมั่นกว่านี้ยังตั้งไม่พอมันยางฟุ้งเก่งขอบพระคุณเจ้าค่ะ นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อพอดีหนูจะมีปัญหาจะถามเรื่องไม่แน่ใจค่ะว่าจิตตั้งมั่นหรือกลับเพราะว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าเออพอไปคือหนูจะฟุ้งบ่อยอะค่ะฟุ้งง่ายแล้วก็พอพอมีสติรู้ก็คือก็คือกลับมาอยู่ที่ตัวเองดูที่ดูที่ร่างกายตัวเองแล้วก็ดูที่ความรู้สึกที่ทร่างกายแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามัน รู้ไม่นา่าจเรารู้สบายสบารู้เบาเบคือตอนนี้ตอนนี้ไม่สบายค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าบางทีมันก็มีจิตแน่นหนะแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าเหมือนหลงเพราะว่าที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกแต่ตัวค่ะแต่ว่าใจไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกเวทนาอยู่ข้างในไม่รู้สึกไม่ไม่ไม่จำเป็นนะแค่เห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันนะเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินน่นอนใจเป็นแค่คนดูอยู่ เป็นแค่คนสังเกตนะนะแค่รู้สึกเป็นคนรู้สึกอยู่มีกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกอยู่ก็ใช้ได้ละอันนี้ก็คือถือว่าตั้งมั่นใช่ไหมคะตั้ง ม, มั่นแต่ว่าไม่เป็นกลางก็ค่ะใช่นะใช่ไหมคะเอออย่างตอนเนี้ยอยากพูดเห็นไหมค่ะหนูว่าภาวนาเป็นแล้วล่ะแต่ตรงที่ภาวนาถูกจิตที่ถูกเนี่ยนะมันใกล้กับผิดมากเลยมันคาบเส้นกันนิดเดียวนะระหว่างรู้กับหลงอ่ะมันไม่ได้แตกต่าง คอนทราสขาวกระดำขนาดนั้นครับเส้นนิดเดียวเลยอย่างเนี้ยหลงนยแต่รู้จะมีสองรู้นะรู้แน่นแน่นรู้แน่นๆ่นเนี่ยบังคับให้รู้จงใจให้รู้อันนี้ไม่ดีถ้ารู้สบายๆรู้แบบไม่เจตนาจะรู้อันนั้นรู้ปดีเป๊ะเลยถ้ารู้แล้วรู้สึกแน่นแน่นเนี่ยก็คือดูต่อไปได้ไหมคะก็แค่รู้ว่ามันแน่นแล้วก็ดต่อเอออต่ไปพอชานาญขึ้นเราจะรู้เลยมันแน่นเพราะเราไปบังคับมัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ที่ที่หนูดูรู้กายรู้กายอยู่เนี่ยมันติดตั้งมั่นก็จริงแต่ว่ามันมันไม่เดินปัญญาใช่ไหมค่ะมันเดินอยู่แล้วมันเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคนละอันกันเห็นเป็นทีทีอ่ะค่ะอะไรนะเห็นเป็นทีทีค่ะปัญญาไม่เกิดตลอดเกิดเป็นทีทีนะเห็นไหมมันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งนะที่จิตอาศัยอยู่นะค่ะนั่นเป็นโพรงเป็นถ้าที่จิตอาศัยอยู่นี่ก็เดินปัญญาอยู่นะ ต่อไปก็จะเห็นเลยตัวนี้มันไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้อย่างนี้นี่มันติดสภาวะไหมคะฮะอย่างนี้นี่ถือว่าติดสภาวะไหยคะไม่ติดใช่ไมคะ อ, อย่างนี้เดินได้คือเดินปัญญาเนี่ยมันไม่มานั่งบรรยายเราหรอกนะว่านี่ไตรลักอันนี่ชื่อนี่อะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองแล้วเวทนาคะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันเพราะว่าบางทีจะรู้สึกเหมือน คึ้เหมือนหนูรู้สึกตัวอย่างเช่นรู้สึกร่างกายว่าเป็นยังไงอยู่แต่ว่าบางทีมันบางทีก็เหมือนไปนึกไปปรุงแล้วก็เหมือนพยายามจะดูว่าอันนี้มันเป็นเวทนาอะไร<ห>ไี่จำเป็นใช่นะไหมคะนะอยวไปพยายามนะเวทนานะสุขทุกข์ดูไม่ยากอะไรหรอกรู้จักสุขไหม รู้จักค่ะเออรู้จักทุกใช่ไหม<ะ>มีสุขก็รู้มีทุกก็รู้มันเห็นจะยากอะไรเลยไม่ต้องไปปรุงอะไรหรอกมันมีอยู่แล้วยังใจขนาดนี้ใจเวลามันอยากพูดใช่ไหมเห็นไหมมันอึดหนัดเนี่ยมันก็ทุกอะทุกขเวทนาเกิดขึ้นบางทีใจก็ร่าเริงเบิกบานมีความสุขบางทีใจก็ตึงแน่ น, น, นอึดหนักนะคืออย่าไปกังวลเรื่องเดินปัญญาเยอะไปนะ แยกขันไปแล้วดูขันมันทํางานไปสติไปรู้กายเขาเอากายนี่แหละถ้าสติจะไประลึกรู้เวทนามันก็ระลึกของมันเองนะมันเหมือนก่อนที่จะรู้เวทนามันเหมือนหยุดสักนิดนึงแล้วก็มันเหมือนว่างๆแล้วก็ไปคิดว่าตกลงนี่มันเป็นเวทนาอะไรอย่ะค่ะไอ้นั่นเราเห็นกระบวนการทํางานของเขานะดูไปมันทํางานมีขั้นเป็นขั้นขั้นขั้นอย่างนี้ก็ถูกแล้วนี่ ช่วงว่างๆนั้นสัญญาปะคะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ช่วงว่างๆนะตอนนั้นรู้อารมณ์ยังตอนตอนที่รู้สึกเวทนาก็คือก็คือรู้แต่ว่าไม่รู้อะไรแต่ว่ามันจะมีมันจะมีจุดอยู่จุดนึงที่อยู่ก็มีมีเลย์ไทม์นะไอ้ตรงนั้นเป็นตัวที่เรารู้อยู่แล้วเสร็จแล้วสัญญาจะเข้ามาแปลว่านี่ยสุขนี่ทุกข์อะไรเงี้ยประมาณนั้นอะค่ะแล้วหนูก็ถูกแล้วล่ะ เราจำเป็นไหมคะว่าต้องรู้เวทนาคะไม่จําเป็นใช่ไหมคะไม่จำเป็นที่หนูเห็นอย่างนั้นอ่ะดีแล้วหนูเห็นกระบวนการทํางานของจิตนะเนี่ยเห็นวิถีของจิตเขาทํางานสังเกตไหมว่าตอนที่เขารับอารมณ์ทีแรกอะไม่สุขไม่ทุกข์ใช่มเฉยเฉยใช่ไห อ, ไอ แ, ลแล้วมันต้องมีการมาคิดมาแปลแล้วถึงจะเกิดความรู้สึกขึ้นนะวิธีของจิตเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วเห็นได้ละเอียดเฉลี่ยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆ ได้เป็นทีทีค่ะนานนานทีนานนานทีก็ยังดียังเคยเห็นแล้วบางทีจะเห็นรู้สึกเหมือนพอไปจับอารมณ์ปุ๊กแล้วมันก็ถอยออกมาช่วงที่ถอยออกมานี่อตัวที่ถอยมันเป็นอะไรอะคะมันเป็นเราแค่รู้นะคเข้าไปจับก็รู้ถอยก็รู้เห็นไหมมันจับได้เองมันปล่อยได้เองแต่ตอนจับหนูไม่เห็นหนูเห็นตอนที่มันเริ่มถอยออกมาค่ะ ถ้าตอนจับไปเห็นมันก็ไม่จับสิมันต้องจับไปก่อนถึงแล้วรู้มันปล่อยนะทําถูกแล้วหนูว่ายคิดมากหนูว่าพอนานได้ละเอียดยิบเลยเวลาจิตทํางาน ม, นมีกระบวนการทํางานของเขาเขาเห็นอย่างนั้นแหละที่เห็นนั่นแหละเห็นถูกแล้วละ่ะแต่ก็มีโมหะอยู่ใช่ไหมคะโมหะอยากกลัวมันนะมีก็รู้เอากิเลสมีอะไรก็รู้เอา ใจฟุ้งซ่านเนี่ยขณะเนี้ก็มีโมหะเห็นไหมป็นฟุ้งซ่านเพราะว่าที่หนูเห็นไหมมีโลภะไม่เห็นอยากพูดเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะจนหลวงพ่กแล้วดูนึกตามออกไหมนั่นแหละเวลาเราดูกิเลสนะเราไม่ได้ดูลงปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันไม่มีกิเลสหรอกพอมีกิเลสเกิดในขณะที่มีกิเลสเราจะไม่มีสติเพะมีสตินะกิเลสมันจบไปแล้วงั้นตอนที่เราโกรธนะหรือตอนที่เราโลภเนี่ย ตอนนั้นไม่มีสติหรอกใครก็ไม่มีแต่พอสติเกิดเนี่ยจะเห็นว่าความโกรธมันดับไปสดๆร้อนๆความโลภมันเพิ่งดับสดๆร้อนๆนะมันจะดูตามหลังไปติดๆติดๆไปเรื่อยๆเรียกว่าปัจจุบันสันติขอบคุณค่ะภาวนาดีแล้วนะแต่นหนูกังวลมากไปกับนวัสกรรหลวงพ่อค่ะพอดีหนูตอนนี้ปฏิบัติแบบดูทอ้องพองยุบอะค่ะแล้วทีนี้มันช่วงเดือน2เดือนนี้ค่ะมันจะรู้สึกแบบ ใจมันจะกระด้างกระด้างแข็งแข็งค่ะมันมันไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ยค่ะก่อนนี้มันจะใจนุ่มๆุมสบายสบายแต่ช่วงนี้มันแข็งนะค่ะขอคําแนะนําอำค่ะเราก็อย่าไปดูมันสิดูแล้วมันแข็งก็แสดงว่าผิดแล้วล่ะไม่ถูกกัจจรลิตของเรานะเราก็ทํากรรมฐานอย่างอื่นทําให้ใจมันเบาสบายนุ่มนวลนะเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตที่แข็งแข็งเป็นอกุศลจิตนะ จิตที่เป็นกุศลเบานุ่มนวลอ่อนโยนกล้องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์นี่เะฉะนั้นถ้าทำแล้วอึดอาดทำแล้วแข็งแข็งหยุดไปเลยไปหาเอาใหม่กรรมฐานเยอะแยะไปวันนี้เราได้ใช้เวลาฟังธรรมกันมาตามสมควรนะครับท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลงชินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานแด่หลวงพ่อครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเชิญเฮียฐาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวาอีโตทินังเปตาณังอุปกัะปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังฉิปะเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีต่กายุโกภวะ อาภีวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง<อ>นิสตินะนิสติเป็นพรปีใหม่ของเรา